สิกขาบทวิพังห้าบหที่ชื่อว่าเมถุนธรรมได้แก่อสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ำกริยาช่วยหยาบมีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่จะต้องทำในที่รับต้องทำกันสองต่อสองนี้ชื่อว่าเมทุนธรรมที่ชื่อว่าเสพได้แก่ภิกษุใดสอดเครื่องหมายเพศเข้าไปในทางเครื่องหมายเพศ สอดองค์ชาติเข้าไปในทางองค์กำเนิดโดยที่สุดเข้าไปแม้เพียงเมเล็ดงาภิกษุนี้ชื่อว่าเสพคำว่าโดยที่สุดแม้กับสัตว์ดิเรกชันตัวเมียความว่าภิกษุเสพเมถุนธรรมแม้กับสัตว์ดิเรกชันตัวเมียก็ไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเสพกับหญิงมนุษย์เล่าดังนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโดยที่สุดแม้กับสัตว์ดิรฉชันตัวเมียคำว่าเป็นปาราชิกความว่าภิกษุเสพเมทุนธรรมย่อมไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายพระสกยะบุตรเปรียบเหมือนคนถูกตัดศีรษะไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้โดยการต่อศีรษะเข้ากับร่างกายนั้นด้วยเหตุ น, นั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเป็นปาราชิกคาว่า